ก็ขออกาศจันเปศานวิสาโลแล้วก็ถวยความเคารบมายังเพื่อนพระเถรารุตเอละเล า, เลาลวเพื่อนสาสกนัมิกตุกๆโรคเจริญพรเจริญในธรรมไมย่ยังยอโยมไ ม, ม่อดทำเรากำลังรวมกันธรดเจ้าในวันนี้ทุกคนเราก็มารวมตัวกันธรรมจ้า เป็นชาววันจัน์วันที่5สิงหาคมตรงกั บ, บแบรม14กันน8เราก็มาศึกษาเรื่องกายเรื่องใจกันในผ่านการปฏิบัติกา ร, การเป็นการ ปฏิบัติลงไปตรงๆที่กายที่ใจของเราการกลับมาหาความจริงเจริญสติปัฏฐานมันเป็นตาในมันเป็นเครื่องตื่นเป็นธรรมะที่มีพลังเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรม้งปวง ของคุณธรรมต่างๆต้องปวงสติเลิกรู้ยิ่งเอาใช้กับประโยชน์เรียกว่าปัญญาสติปัญญาจึงมาด้วยกันแลว้วก็เป็นสติปัฏฐา น, นันมีสติปัญญาแบบปลกโลกแบบสัญชาตญาณสัญวดรัจานก็มีแต่ว่าสิ่งที่พื่ถึงต่อไปนี้เป็นสติปัฏฐาน มีการบรีบอกว่าสติโลกัสมิชาคาโลสตินี่เป็นเครื่องตื่นทำให้โลกนี้ตื่นขณะนี้เราก็ตื่นตัวตื่นกายตื่นใจหลังจากตื่นนอนมาแล้วนอนมาทั้งแื่เช้าทีนี้เราก็ ตื่นขึ้นจากความคิดนะอีกชั้นนึงก็คือมันมีความรู้เนื้อรู้ตัวปลุกจิตให้ตื่นอันนี้เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมตายก็มีอาการต่างๆมากมายเป็นรูปธรรมที่มีอาการตามกฎของธรรมชาติมากมายเป็นความจริงของเขาจิตก็มีอาการต่างๆแสดงออก การคิดการปรุงการแต่งอารมณ์ทำอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาที่ยิบมันเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเราแต่ว่าไม่เคยมีใครชี้ใครนำํำเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้อ่านแล้วก็น้อมกันมาใส่ตนมันก็เห็นตามนั้นนะเช่นเห็นกายเคลื่อนไหวอย่างนี้นะมันก็เห็นตามนั้นนะ ในตลังตำราเราเชื่อว่าคำพีในศาสนาพไทยวิโดศึกทอดกันมาอย่าง น, น้อยๆก็มีข้อมูลความจริงอยู่มีน้ำหนักอยู่ไม่น้อยนะเช่นเขาบอกว่าในสะมัยยุคหนึ่งนะของนิคมชาวกุลนะุมีหมู่บ้านชื่อ กรร ม, มะสถัมมะก็จะมีการพูดกันถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่จะเป็นการตักน้ำการผ่าเืนการทอผ้าปั่นไฟ้าก็จะถามกันว่าตอนนี้กำลังเจริญสติพระสูตรไหนอยู่กำลังเจริญสติเรื่องใดอยู่ถ้าคนไหนตอบไม่ได้ เขาก็จะบอกว่าที่หลังเธออย่าทำอย่างนี้อีกถ้าท่านใดตอบได้ว่ากําลังเจริญสติอยู่ในหมดไหนอยู่เขาก็จะสาธุสาธุสาธุาธนะองค์สมเด็จจำมาหลวงเจ้านะเกิดมาอุบัติมาเพื่อนะให้ท่านเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างแท้ๆนะที่มีวัดป่าสุต่อเราพูดถึงเรื่องการเจริญสติฐาน สนใจชื่อว่าสถาบันสติประฐานมาจากคาพูดของหลวงพ่อมเขียนสุวรรณน้อยท่เห็นว่าการเจริญติแบบแนวหลวงปู่เนทะียนมีผลถึงตันเกิดการเห็นรูปนามขึ้นมาจนถึงต้สุดท่านบอกว่าแก้วแตกหมดเมื่อหมดตัวจริงๆเราฟังเราหูพึ่งมมันมีแบบนี้ด้วยคาพูดของ คนที่พวกสติปัฏฐานก็ไม่เชื่อทต่อยากพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงหรือไม่เราจึงมาใจชีวิตกันที่ป่าสุโกโตในการเคลื่อนการไหวการเดินจงกรมการนั่งสร้างชางไหวเห็นกายเคลื่อนไหวแล้เห็นใจที่มันมีปฏิยาการต่างๆเกิดขึ้นมาด้วยเพราะการคิดการปรุงการแต่งเราเห็นได้ว่าความคิดเนี่ย แต่เราหยิบมันมาใช้นะมันก็เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าขึ้นมาแต่ถ้ามันใช้เราอย่างเงี้ยมันก็ค่าคุณมันก็ค่าเราเลยมันเกิดขึ้นมาคิดแล้วกอดคิดแล้วกลุ้มคิดแล้วกลัวคิดแล้วกังวลคิดแล้วแปดีคิดแล้วไปอนาคตที่เป็นสุขที่เป็นทุกข์มันคือตัวคิดแต่ว่าเราไม่เคยเห็นความคิดเราโยนความคิดนะ การที่เราจะรู้เท่ารู้ทางความคิดนีมันก็ต้องฝึกความรู้สึกตัวเห็นวัตถุรูปธรรมเห็นกายแต่และขณะตามความเป็นจริงอย่างเมันเกิดการเห็นนามธรรมตามความเป็นจริงภาษาศาสนาก็เรียกว่าการเห็นจิตในจิตนีก็คือนามรูปเฉตยานมันเองอย่างเมื่อกี้เราสวดเราก็สวดกันถึงเรื่องปัจเวกขณะยาณ กบิญญาในขณะที่เราบริปภ์กันปัจจใจสี่เราต้องมีการพิจารณากันอย่างที่เมื่อกี้เราสวดกันยกเว้นก็ว่ากันว่ามีตระอรหันต์นะะนะไม่ต้องปัจเจกนะเพราะท่านทําเป็นธรรมชาติของท่านอยู่นี่นะการนั่งการเดินการนอนการกินการขับไตเป็นกรรมฐานเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดา ไม่ได้ทําเป็นกรรมดีไม่ได้ทําเป็นกรรมชั่วการปิดคิดการพูดการทำเนื้อเหตุเนื้อผลเนื้อถูดเนื้อผิดอย่างเงี้ยมันมีกันมันอยู่มันก็คือมีความรู้สึกตัวนั่นเองเห็นกายตามความเป็นจริงกายนั่งกายเดินกายยนืนกายนอนไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอันนี้มันอยู่ในหมวดที่เรียกว่าสัญญาปะทะมันมีอยู่หลายหมวดมากเลยตั้งแต่เห็นลมหายใจเข้าออก อนาปาณะสติตรงนี้เราทั้งเห็นอิปัจจีสการนั่งการเดินการยืนการนอนเห็นตัวสร้างกายทางหัวเจรดเท้าเราทั้งมนุษย์รอบกองสังขารเป็นตัวปัญญาไปเลยเห็นตัวญญาปะพระทำไมการนั่งการเดินการยืนการนอนก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังทรงสังติจีวรอุบบาทการขับการถ่ายการพูดการนิ่ง การกินการเคลื่อนการเกินนะตรงนี้ก็มีบทบาทนะที่ทําให้เราเหมือนกับว่าสติเจริญงอกงามในการจะทำอะไรก็ตามแต่ว่าเขาบอกว่าเห็นกายก่อนกายเป็นของหยาบวัตถุรูปธรรมเห็นซะก่อนจากนั้เห็นเวทนามันก็เป็นเวทนาปภะเป็นฉบับที่ดูอาการจี่แสดงออกมาที่กายที่ใจ เป็นอาการต่างๆเป็นสุขเป็นทุกข์ปรากฏขึ้นมาในจิตก็เหมือนกันพรอกายกับจิตอยู่ด้วยกันมีกายก็มีจิตนะถ้ามีชีวิตอยู่มีกายก็มีเวทนาเวทนาก็อาศัยกายอยู่แล้วก็ธรรมชาติก็ปรากฏที่กายเป็นความรู้สึกต่างๆกระทบรูปหูฟังเสียงภายนอกภายในความงงเหงาเหงานอนนิวรธรรมต่างๆนีิวรธรม ร, ธรมก็จะเป็นด่านกวางกัน้น ไม่จิตใจของเราบรรลุถึงงุนงงความดีบรรลุถึงความรู้สึกตัวจากขวางๆจะเป็นการขับรถก็ไม่ถึงจดหมายปลายทางจะง่วงห่วงมากๆจะตีโค้งไม่เข้าโค้งหลุดโค้งไปนอนอา่านหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออ่านหนังสือเวลาเรียนหนังสือพออ่านหนังสือที่เราจะต้องเรียนวิชาบางคาบนี่มันก็จะงอกง่วงเสร็จแล้ว มันก็จะอ่านนังสือไม่รู้เรื่องสอบไม่ผ่านเป็นต้นด้วยเวลาเราปฏิบัตนะิธรรมน่ะเรีเห็นว่ามันเกิดนิวรธรรมขึ้นมาเมื่อเวลาลองถามใครปฏิบัติแล้วง่วงมั่งคนเก่าก็ยกมือคนใหม่ก็ยกมืออันนี้นเป็นสัจธรรมที่มีแล้วในตัวเราทุกคนเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราสร้างความรู้สึกตัวเครื่องตื่นเนื้อหาของอาการง่วงก็ต้องแสดงออกมาว่าเป็นธรรมะที่มีในตัวเราแต่ภาษาศาสนาเขาเรียกว่านิวรธรรม มันเกิดความว่วงขึ้นมาจะทํำยังไงจริงๆความว่วงกลัวจิตใจที่มันเข้มแข็งถ้าจิตใจมันเข้มแข็งมันก็จะผ่านความ่วง่นแล้วความว่วงที่มามาให้เราจัดระเบียบทํามาขณะปฏิบัติมาให้เรียนเราต้องเรียกว่าถอดรหัสจกนกระทั่งมันมีความแตกฉานเกิดขึ้นมาเข้าใจว่าความว่วงมันคือธรรมาชาติตัวนึงที่มันมาแล้วมันก็ไป เวลานอนนะ่ะธรรมานะ่ะถือว่าเป็นกุศลถ้าเป็นการทํางานหรือว่าการเรียนการขับรถธรามาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอกุศลมาให้เราเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่วเวลรรมตัวนี้มาให้ปัญญาของเราเนี่ยมันหมดกําลังหรือว่าเข้าไม่ถึงความรู้สึกถ้าเป็นการกําหนดทิศฐานกายมันเข้าไม่ถึงความรู้สึกที่ฐานกาย มันจะมาแล้วก็มีอาการเหมือนกับว่าทําให้เราเนะี่ยเหมือนกับอ่อนลา้าเปรีย้ยเพียทิศทางการมาของเ้าเนี่ยเราจะเห็นรอยเลยถ้ามีสติดีๆสักนิดจะเห็นเลยมาทางไหนนะมาทางบนศีรษะมาด้านหลังมาด้านข้างค่อยๆกดทับที่คิ้วไนะแล้วก็ดึงตาของเราให้ปิดติ ด, ต, ดติดสนิทแล้วก็เหมือนกับทําให้หลังเราค่อมลงหายใจแผ่วลงมือก็ยกไม่ขึ้นค้าง เราก็ได้เห็นอาการตั้งแต่ต้นจังระทั่งครอบงำเต็มที่แล้วก็มาแล้วก็ไปเป็นต้นบางทีสติเราเจตนาที่ จ, ท จ, จะเจริญหมายถึงว่าเจตนากําหนดรู้ชัดๆขณะที่เจตนากําหนดรู้หรือว่าเปลี่ยนเจตนาที่จะทําซ้ำๆมันก็หายไปแล้วแหละคือก็เป็นสภาพธรรมที่เป็นตรงกันข้ามกับความรู้สึกตัวจะถือว่าเป็นไสยศาสตร์่าได้ เวลาเรารู้สึกตัวจิตตื่นเป็นพุทธศาสตร์ก็ว่าได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นครูของเราไม่ถือเป็นลักษณะของธรรมะที่ชวนเราให้เราเหมือนกับว่าทอแท้เบื่อหน่ายก็ได้ถ้าเรามองแต่งแง่ดีนะความวง่วงหรือว่านิยงอเราทำตัวอื่นความลังเละสงสัยหรือว่าความฟุ้งซ่านการพยาบาทรบตัวนี้กลุ่มของนิวรณธรรมตัวนี้เขาจะเป็นรอย ให้เราได้เห็นลักษณะของร่องรอยความรู้สึกตัวกับความหลงความรู้สึกตัวเข้าไปในอาการหล่อนี้ยเราก็เห็นร่องเห็นช่องเห็นทางเป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลขึ้นไปมันก็เกิดจากนสภาวะของธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละทุกตัวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติตัวไหนก็ตามไปความสงบเป็นปีติ เป็นลักษณะของความเบาเนื้อเบาตัวหรือว่าเป็นลักษณะอาการใดๆก็ตามทั้งกุศลทั้งอกุศลก็เหมือนกับเป็นครูของเราเมื่อเราเปิดหน้ากายเปิดหนังสือที่ชื่อว่ากายเนีเราก็จะได้เห็นบทต่างๆมันจะเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมสภาพธรรมต่างๆม่าจะเรียงแถวเหมือนกับเข้าแถวมาให้เราได้เห็นที่ปัจจุันขณะนี้ประตูใจเนี่ย ตัวใจที่เป็นความเป็นปกติเป็นความเป็นกลางความสมดุลจินปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้สึกตัวอาการต่างๆที่มีในชีวิตของเราทต้องมันก็จะเดินเรียงมาให้เราได้เห็นภาษานะคําพูดคํานี้เป็นคําพูดของหลวงพ่อคําเขียนที่มาเรารู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเห็นอาการต่างๆเรียงแถวมาให้ดู เมื่อเราฝึกสติปัฏฐานเราก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านีมันปารากฏขึ้นมาจริงๆในสมัยพุทธกาลที่มีการอ้างกันว่าหมู่บ้านากรรมไมยสัมรมะเนี่ยไม่ก็ตั้งสัตว์รออาจาก์ก็ฝึกสติได้ก็ยกตัวอย่างเช่นนกแขกเต้านกแขกเต้าอยู่กับภิกษุณีนกแขกเต้าตัวนี้ชื่อพุทธลักขิตะ ก็ได้บริกรรมคำว่าอัติอัติอัติอัติอัติเจริญสติโดยการบริกรรมนะว่าอัติอัติอัติจนกระทั่งเข้าถึงสภาวะธรรมที่เห็นว่ามันเป็นรูปธรรมนามธรรมจริงๆอยู่มาวันหนึ่งมีนกเหยี่ยวบินโฉบลงมาแล้วก็เอาองค์เล็บ จับนกแขกเต่าตัวนี้ไปหลังจากนั้นก็ปล่อยมากลับมาพิกซูนีก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเธอนั้มีความหวาดกลัวไหมนกแขกเต่าก็ตอบว่าไม่มีเลยความหวาดกลัวเห็นแต่กระโดกอัตถีเนี่ยเอากระโดกไปเขาเอาไปไหนนาะ ก, กระโดกกระ ก, กระดูกจะพากันไปไหนนอ้อยอยงนะมันไม่ได้เห็นว่าเป็นเราแล้วก็กลัวนะความตายไม่ได้กลัวความตายเลยเรามีแต่อัติอัติกระดูกเอากระดูกจะพากันไปไหนนอ้อยพิสุ น, นี้ก็กล่วาวคําว่าสาธุสาธุสาธุเดีแล้วนะเธ อ, อเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีสติอยู่ตลอดเวาเวลา จอมเธอไม่ได้กลัวความตายหรือว่าก็บกันว่ามีพระภิกษุปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วกำหนดสติมีเสือมาค่าเอาไปกินทีละรูปทีละรูปทีละ ร, รูปแต่ละรูปก็ไม่ได้ส่งเสียงดังบอเสือค่าไปหรือว่าร้องอดกลววหวาดกลัว สะดงวัตภาว่ไม่มีมีแต่นิ่งเฉยๆำกำหนดรู้เวทนาบางรูปนี่ยโดนเสือกินถึงข้อเท้าก็มรรลุเป็นพระสวสดาบันบางรูปโดนกัดถึงข้อเท้าก็ไม่บรรลุทำอันนี้ก็มีแต่ว่านิ่งเงียบไม่พูดบางรูปเนี่ยกัดมาถึงหัวเขา่าก็บรรลุเป็นสติทาคามี พอเสือกัดมาถึงท้องก็บรรลุปเป็นอนาคามีพอกัดมาถึงหัวใจกินมาถึงหัวใจก็บรรลุปเป็นพระราหารันเราฟังดูแล้วเราก็น้อมาใส่ตนบางทียุงกัดเราแล้วก็มันก็จิตใจมันก็ววอยแล้วแหละบางทีก็เอาความตายของยุงเป็นอารมณ์แล้วก็ตบลงไปแบบขาดสติสัมปชัญญะรู้ไม่เท่าไม่ทันตรงนั้น เมื่อเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะกำหนดรู้การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเนี่ยบางทีเราก็จะได้เห็นว่าอาการที่เกิดจากยุงกัดก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมันก็มีความรู้สึกอยู่มันก็ไม่ได้มาเป็นความพอใจไม่พอใจบางทีมันก็มีปัญญาเหมือนกันเอามือปัดไม่ใหนะ้มันก็ว่าเชื้อโรคที่อยู่ในตัวยุงนะั่นไข่เลือดออกหรือว่ามา เ, เรีย เขาาสู่ตัวเราก็ยุงเป็นพาหานำโรคนี่นะแต่ก็ปัดนะให้เขาปลอดภัยแม่เขาตายเพราะมือเราเพราะเราก็ทราบกันดีว่ายุงก็อายุประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ตายไปแล้วเห็ไนไหมเราก็อยู่ด้วยกันป้องกันตัวเองป้องกันผู้อื่นเนี่ยนะนะอันนี้คือการกําหนดรู้นะความรู้สึกตัวเนะราเห็นสิ่งต่างๆทั้งวันขณะนั่งเดินยืนนอน การกินการขับถ่ายมีอาการเกิดขึ้นมามากมายแล้วกิ็เป็นความรู้สึกตัวอย่างเดียนะและ้วพระสัตหนานก็ชี้ตรงๆแล้วว่าชาพุทธเรานะต้องระกั่วทําดีแล้วก็ชําระจิตให้ขารอบก็คือการฝึกสติเจริญสติมีความรู้สึกตัวไปในกายรู้กายรู้ใจนี่เองรู้กายกายเคลื่อนไหวใจก็รู้เนีย รู้ใจก็หมายถึงว่าเห็นใจทิมคิดนึกปรุงแต่งจิตที่มันจิตจิตจิตจิตจิตจิตว่าไหวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยังไงนะจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจกระตังนะเรียกว่าจิตจิตเดิมแท้ประพัดสอนพองไถใส่ก็คือใจทิมว่างจากความหมายความเป็นตัวตนอันเดียวกันแต่จิตที่รับใช้นะเป็นจิตที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลขึ้นอยู่ว่าจิตรู้ว่าจิตหลงแต่จิตรู้นะ ถ้ารู้ทำงานดีสติปัญญาดีมันก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นเป็นจิตทีบริสุทธิ์อย่างเง้นะมันจะเกิดจากความรู้สึกตัวนี่แหละที่เราฝึกสติกันในทุกๆขณะตั้งจะตื่นจนกระทั่งหลับหลับแล้วก็แล้วกันในตอนนอนนี่เราก็จะเนอนสติดีนะอย่างเช่นเมื่อวานเนะี่ยผู้ใหม่ที่เพิ่งมาเนี่ยถ้าแปลกที่แปลกทางก็จะนอนไม่หลับหลอกแต่ ถ, ถ้าเราฝึกสติอยู่นะ เราคนหมดรู้ลนะมหายใจเบาๆผ่นอนๆเสร็จรแล้วเราจะเห็นว่าจิตก็จะมีสมาธินะวิววิววิววิววิวตกผวางแล้วก็นิ่งอย่างนั้นนะพอเขาพักได้เต็มที่ก็จะสดชื่นแล้วก็รู้สึกตัวเราจะเห็นว่ากายมันก็ร่วงโปร่งเบาพ่องใสแจ่มใสจิตก็จะมีอาการขยันขยันแล้วก็มีอาการตื่นตัว พร้อมที่จะทํางานทําการลุกขึ้นอย่างมีสติหรือว่าล้างหน้าแปรงฟันอย่างมีสติเดินมาทำบ้านอย่างมีสติแต่ละกเก้าต่ละก้าก็เดินอย่างระมัดระวังยิ่งฝนตกเนี่ยมันจะมีอาการลื่นๆนยิ่งระมัดระวงังตัวสติก็จะเด่นขึ้นมาอย่างนี้นนะก็เกิดความปลอดภัยาการนั่งการเดินการยืนการนอนการกินการขับถ่ายอันนี้ต้องมีสติหรือรู้ความรู้สึกตัวเนี้ตลอดเว ล, เว ล, เวลานะ รู้ปัจจัยขณะแต่ละขณะนในการเคลื่อนไหวของกายอย่างเราเห็นว่าอุบัติภยัยเกิดขึ้นมามากมายเหลือเกินกับการนั่งการเดินการยืนการนอนเช่นเราเห็นข่าวทั่วๆไปการเดินนี่บางทีลื่นในห้องน้ำแล้วก็จีจะปาดพื้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเข้าโรงพยาบาลมากเหลือเกินสติติเนี่ย น, นะมีบางราย นอนตื่นขึ้นมาไม่ทันลรามันระวังแล้วก็วเช้นเลือดในสมองแตกเป็นอมัอมพาตอมพาตหรือบางที น, น, นั่งไม่ถูกที่ถูกทางอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเมสานาร้อนข่าวนี้เกิดที่มันตกปริ้วจันทบุรีไปนั่งเดิมเบียแช่น้ำเย็นๆเสร็จแล้วนั่งแล้วก็ดูผู้หญิงอาบน้ำว่ายน้าเล่นน้ำตก แล้วก็เพลินไปจนกระทั่งกลับมาบ้านที่กรุงเทพก็มีความรสึกปวดท้องขนาดหนักหลังจากนั้นก็ไปหาหมอหมอก็เช็คไม่ได้ว่าปวดท้องเพราะอะไรก่อนจึงนำไปเข้าห้องเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์ภาพที่เห็นนะตกใจอย่างมากเลยมีปิงควายสองตัวยาวประมาณเ็เซนติเมตรสองตัวกินเลือดจนอิ่มเข้าไปทางทะวันหนัก เงี้ยนะปิงควายสองตัวเข้าไปทางทะวันหนะักไม่รู้สึกตัวเลยไม่มีสติเลยเียนะท้ายสึกก็คือกเกิดโครคภัยไข้เจ็บเงี้ยหรือว่าสาวคนหนึ่งนั่งรถไปจากกรุงเทพมาเลือกตั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ขาดสติกินข้าวเหนียวติดคอตายอยู่ในรถไฟไม่สามารถดีช่วยได้สามีอยู่ล้าง ก, ก็ช่วยไม่ได้ หรือว่าไพ่เฟอร์สเตดนะยืนไม่ถูกที่ถูกทางขณะที่เล่นเครื่องเล่นอย่างสนุนสนานก็คือถังเบียร์ขดึงขึ้นไปสูงๆแล้วก็ปล่อยลงมาให้มันเสียวแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินกันไปบีดไฟกระตูหูแล้วก็บอกนะมันคือความสุขเสร็จแล้วก็มายืนถอดสเกมขัดเจติเบลถังเบียร์มันหลุดลงมา กระแทศกศีรษะเจ้านังแบบัดนี้ก็ตายไปแล้วนะเลอดจะชื้ออย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่ามีหนุ่มคนหนึ่งไปบ้านแฟนที่จังหวัดอยุธยากลคือนนอนตื่นขึ้นมาปวดปัสสาวะลุกขึ้นเดินแบบขาดสติแล้ชนเสาวและเช้าตื่นมาก็เป็นศพอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะได้เห็นว่าเออบางทีเนี่ยนะนะการนั่งการเดินการยืนการนอนเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาๆไกลๆก็เหมือนกับว่ามีสติอยู่แล้ว แต่บางครั้งก็จริงแล้วปรกปากฏเราเดินไปก็คิดไปนั่งไปก็คิดไปนอนไปก็ฝันไปยเพอเจริญสติเราได้เห็นว่าความคิดเนี่ยเกิดขึ้นที่ยิบเลยจนทางนักวิทยาศาสตร์เขาประเมินกันว่าหนึ่งวันเนี่ยเราคิดกันอย่างน้อยนะมันไม่น้อยกว่าหกหมื่นเรื่องต่อวันกันหมายถึงว่าเราคิดแล้วสุขคิแล้วทุกข์นะที่ยิบเลย เมื่อเราจเจริญสติปัฏฐานเราจะได้เห็นความคิดที่เกิดขึ้นมาทียิบทั้งวันจริงๆห้ามไม่ได้วินาทีต่อไปเราไม่รู้เลยจะคิดเรื่องอะไรเราไม่สามารถรู้ได้แต่เมื่อคิดขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะรู้เท่ารู้ทันได้แต่ฝึกสติใหม่ๆบางทีมันคิดไปจนจบถึงรู้ทันพอทําไปสักพักหนึ่งสติจเจริญว่องไวมากขึ้นกลางๆ ก, ก็รู้เท่ารู้ทันบางทีเรื่องเดิมๆก็มาซ้ําๆเราก็รู้แล้วรู้อีก จนชนานาญชนานาญที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวคิดก็รู้สึกตัวมันก็จะตื่นตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันคิดปับปบดป๊บปุ๊บปุคิดปั๊บปุ๊บปุนะตรงนี้แหละจะเกิดความอัศจรรย์ใจพ่อก็ไม่ได้สอนแม่ก็ไม่เคยสอ น, นตามวัดตามวาต่างๆครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กันทั้งหมดพอเรามาฟังหลวงพ่อเขียนหลวงปู่เทียนลางทีฟังอาจารย์ไพศาลเนี่ยจิตมันก็เติรนขึ้นมานเช่น อยู่ครั้งหนึ่งแล้วเนี้ท่านจันนายารนั้นพูดถึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นนายที่เลวแต่ว่ามันเป็นแท้ที่ดีที่สุดแต่ว่ถ้าเป็นนายเป็นนายที่เลวที่สุดเเราฟังว่าเออใช่เลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามีสติเราคิดนคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำํำอันนี้ดีมากแต่ถ้าหากว่าไม่มีสติน มันคิดแล้วพูดแล้วทํามันจะเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเพราะฉะนั้นจิตคิดคิดเป็นกุศลคิดเป็นอกุศลคิดแล้วโลภคิดแล้วโกรธคิดแล้วหลงะถ้าเรามารู้สึกที่ฐานกายมันจะกลายเป็นว่าเออออกมาจากความคิดทันทีทันใดเลยแต่บางทีมันจะไปอยู่กับกายบางทีพปฏิบัติชานาญมากขึ้นจะรู้กายพอมารู้กายมันก็รู้คิดเหมือนกันแต่ตอนหลังมันกลายเป็นดูกาย ก็คือสติปัฏฐานวิปัสสนาญาณเกิดมันกลายเป็นดูกายเห็นกายตามความเป็นจริงก็จะดูจิตมันก็จะเห็นจิตในจิตตามความเป็นจริงไม่ใช่สัตว์ตนบุคคลเราเขาจนกระทั่งมันดูเห็นสภาพธรรมต่างๆตามความเป็นจริงจนกระทั่งเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้องถูกต้องตรงนี้ตรงนี้แหละมันคือความไม่ทุกข์มันเป็นความกลมเกลืนเป็นความเป็นกลางเป็นความสมดุลเพราะนั้นปฏิบัติใหม่ๆมันจะเป็นลอย ลอยของความรู้สึกตัวจนกระั้งมันเป็นล่องเลยมันเริ่มมีอาการชัดขึ้นชัดขึ้นจนทําเป็นช่องเป็นทางเป็นมรรคเป็นผลมันจะได้เกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็จึงเป็นเรื่องของกรรมฐานปฏิบัติการเราจะไม่ใช้กรรมฐานวิชาการกันลงมือทําลงไปมีศรัทธามีปัญญามีบริยะมีสมาธิมีสติแต่ เ, เพราะสัมมาสติ เป็นเรื่องของสติปัฏฐานสี่มีสติเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามีสติเห็นเวทนาในเวทนาสุุทุกทิมเกิดขึ้นไหมไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นจิตในจิตจิตที่มันว่างๆเดิมๆเป็นปกติกับจิตที่มันไม่ปกติที่มันรับใช้เห็นจิตในจิตไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแล้เห็นธรรมาชาติต่างๆไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามีทั้งภายในมีทั้งภายนัย จนทังมันกลายเป็นโลกทั้งใบเนี่ยแหละเราก็เห็นจริงๆนะเป็นสภาวะของผู้ดูนะที่ดูแลเห็ น, ห น, หนแล้วไม่เข้าไปเป็นตรงนี้นะมันเป็นแล้วนะของธรรมชาตนะิที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนไม่เว้นไม่ว่าใครก็ตามเพราะฉะนั้นในโลกใบนี้นะคนไม่ดีที่สุดก็น่าเคารพนะคนไม่ดีขนาดไหนก็ตามลึกๆ ก, ก, ก็อยากเป็นคนดีมันยังกันคนไม่ดีขนาดไหนนะเราก็จะไม่ทะเลาะ ด, ด้วยเพราะว่า คนที่รักเข้ามีแน่นอนอย่างน้อยๆก็แม่ของเขาล้วนศรัทธาลาสิงห์รักเขากระทั่งนะ เ, เราก็ช่วยกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นกันยมิตรเป็นเพื่อนที่พากันไปสู่ความไม่เสื่อมเโลกก็จะได้เกิดสันติสุขสส่ภาพต่อไปนะจะกลายเป็นเรื่องของนะมือจะใช้ทั้งหลายทั้งปวงนะที่รู้เรื่องเดียวกันในะเพราะเรื่องของความรู้สึกตัวนะ เลาเห็นว่าท้ายสุดนี้นะีก็พูดมาสมควรแก่เวลากนะ็จะขอยุติีมาเพียงตอนนี้ก็ขอให้การปฏิบัติดีของเราทั้งหลายนั้นหรือ ว, ว่าการที่เรามารวมตัวกันนะประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายนั้นก็ขอให้เป็นไปนะเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกนะในวันชาตินี้โดยตัวกันทุกรูปทุกนามเธอ